แนะนำเพิ่มเติมได้ไหมครับปฏิบัติให้ดีนี่ยังไงนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานี่ตัวเองก็มองว่ายังปฏิบัติไม่ดีพอก็ปฏิบัติได้ดีแล้วแต่มันหมายถึงว่ามันยังไ ม, ไม่ได้ทิ้งอัตตาตัวตนโอไม่ได้ทิ้งอัตตาตัวตนตัวเก่งตัวรู้ตัวเห็นตัวเข้าใจค่ะ เราเป็นคนเอาตัวเราเนี่ยเป็นผู้ตัวเก่งตัวรู้ตัวเห็นตัวเข้าใจแต่้ตัวเก่งตัวรู้ตัวเห็นตัวเข้าใจตัวนี้เป็นขันห้าขันห้าจึงเป็นตัวที่รวบรวมข้อมูลได้จิตเดิมแท้หรือใจแท้แท้หรือธรรมธาตุหลงตามหาโว่าเรียกว่าธรรมธาตุหรือพุทธะนะมันไม่ได้เป็นตัวที่เรียนรู้ทำความเข้าใจรู้เห็นเข้าใจรู้ละปล่อยวางมันเป็นตัวที่อาศัยตัวสติ สมาธิปัญญาในขานห้ามไปตัวสังเกตสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าใจในตัวสติสมาธิปัญญาเรียนรู้ทำความเข้าใจรู้เห็นละไปวางรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้กิเลสไม่ใช่กิเลสรู้กุศลนกุศลรู้ละไปวางไปได้ไปในที่สุดในตัวที่มารู้ละปล่อยวางทําความรู้ทําเห็นเข้าใจเรียนรู้หลักธรรมคาสอนเรียนรู้ ในจิตใจของเราจะเราละปล่อวางไปได้เรื่อยๆเนี่ยนั่นสติสมาธิปัญญาในขาน่าที่เรายืมมาใช้ค <Okay. S 2> ที่พระองค์ประธานอนุ ญ, ญาตให้เป็นเรือข้ามฟากเราก็ใช้ส่วนเนี้ยเป็นเรือข้ามฟากสังเกตดูจิตใจคสังเกตดูว่ามันไปส่งจิตออกนอกไปเกาะเกี่ยวโัวพันสิ่งใดหรือไม่ทั้งรักทั้งชัง <Okay. S 2> สังเกตดูมันเข้าไปพอใจไม่พอใจวุ่นวายหมกมุ่นคุณคิดหมกมุ่นไปในธรรมหมกมุ่น ในเรื่องที่หล่นค้นหาธรรมค้นหาปัญญาหรือไม่คไอตัวจิติสรรมที่ปัญญาเนี่ยไปตัวสังเกตสังเกตเรียนรู้ศึกษาทำควองเข้าใจรู้ละไปวางไปเรื่อยๆตัวเนี้ยแต่เราไปเอาไอตัวที่มันตัวที่รู้ที่เห็นที่ละไปวางที่ยิ่งเขายิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งรู้แจ้งเนี่ยเอาตติธรรมที่ปัญญาเนี่ยเอามาเป็นตัวเราซะเลยตัวเนี้ยเอาตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้เห็นตัวเราเป็นผู้ เข้าใจเราไปเอาตัวนี้เป็นตัวเราซะเลยมันก็เลยผลท้ายเพราเอาตัวนี้เป็นตัวเรามันก็เลยเป็นตัวทิฏฐิมานะไปด้วยตัวเก่งเรารู้เราเห็นเราเก่งเราเข้าใจเราพูดได้จําได้มากเรารู้มากมันเลยกลายเป็นทิฏฐิมานะก็เลยเป็นกิเลสไปอีกเราต้องละทั้งหมดทุกตัวเลยเห็นทุกตัวสติสัมมาทิปัญญาเห็นทุกตัวเห็นกิเลสทุกตัวละได้ทุกตัวละหมดสิ้นไปทุกตัว จนสุดท้ายก็ทิ้งตัวเองนี่เนี่ยทิ้งตัวเราตัวเราผู้ไปรู้อะไรมันก็วิเคราะห์วิจารวิจัยวิภาควิจารณ <c oughs> อยู่ในจิตใจตลอดเวลาแต่เห็นมไหมตัวเนี้ยมันเป็นกระบวนการทํางานของขันท่าไอผู้รู้มันก็เป็นวิญญาณขัน <c oughs> แล้วก็ทํางานร่วมกับสติสมาธิปัญญาทํางานร่วมกับเวทนาสัญญาสั้งขานมันทํางานร่วมกันค <c oughs> เนี่ยไปรู้ไปเห็นอะไรแล้วมันก็พูดอะไรวิเคราะห์วิจารณวิจัยทำให้เราเก่งทำให้เรารู้มากทำให้เราสามารถรู้ลับไปวางได้มากแต่ตัวที่จะมาสังเกตดูจิตใจของเราเนี่ยที่จะมาสังเกตเห็นในวิญญาณอาคารดินไปรู้อะไรแล้วมันแสดงกริยาการอย่างไรมันพูดมันบน่นมันวิเคราะห์วิจารณวิจัยในในใจเนี่ยในตัวสติจะมาสังเกตเห็นคือตัวสติสติธมาที่ปัญญาในขันหน้า ไอตัวสติสมาธิปัญญาในการหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่สังเกตโดยใจที่สงบก็คือสมาธิมีปัญญารู้ลปะปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันไม่เคยเลิกกาจะกว่าจะบรรลุนิพพานไปอติสมาธิปัญญามันก็เลือนหายไปกลายไปเป็นใจผู้รู้แจง้งรู้พลรู้ละรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่เข้าไปยึดอะไรไม่เข้าไปสวยอะไรหรือจะเป็นนิพพานในตัวนั้นหรึงจะเป็นธาตุธรรมธาตุ มันต้องเข้าใจธรรมชาติภายในมีอยู่สามตัวคือตัวสติสมาธิปัญญาเป็นปตัวขาันห้าตดดัวสังเกตไว้ตลอดเวลา <c oughs> สังเกตอะไรก็สังเกตเห็นใ น, ในวิญญาณขันที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ย <c oughs> ไปรู้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> มันก็จะเป็นตัวที่ตึกตรองวิเคราะห์วิจาร์วิจัยภาคเหมือนพูดภาคอยู่ในใจ <c oughs> ใช่ มไม่หยุดพูดข้างในเลยอะค่ะมันไม่หยุดไหลตัวนี้เพราะมันเป็นขันธ์ห้าถ้าเราไปดับมันก็ตายไปดับมันก็ตายต uh huh. อนเป็นขันธ uh ์ห้ามันเป็นการทํางานของวิญญาณนักขัวิญญาณนักขันทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งต่อวิญญาณตัวใหม่ตัวใหม่ไปตัวใหม่ไปรู้แล้วมันก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารวิเคราะห์วิจารณวิจัยภาพ พอภาคเสร็จในตัววิญญาณตรงต่อวิญญาณขันตุมาวิญญาณในขันตุมาวิญญาณปรู้อีกมันก็อีเคราะวิจัยวิจัยภาคภาคภาคภาคในใจมันเลยเหมือนพูด um ไม่หยุดในใจของเราตลอดตลอดชีวิตนั้นเองพูดไม่หยุดแต่ตัวสติตรรมที่เป็นญามันก็สังเกตเห็นมันก็ไม่ได้สังเกตเพื่อยึดสังเกตเพื่อเพื่อสับแต่วรู้ค่ะเพื่อสับแต่วรู้ไม่คิดไม่อะไรเมื่อสับแต่วรู้จริงๆแล้วไม่สังเกตจริงๆ เหนวิญญาณขันที่ทำงานร่วมกับจิตสิกจริงโดยจับแต่ว่ารู้จริงๆมันก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งพบใจที่ไม่ปรุงแต่งไม่เลยเห็นเนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับในใจที่ไม่ปรุงแต่งตัวที่จะเห็นได้ก็ต้องตติเนี่ยแหละเป็นตัวเห็นตัวสติขาดสติไม่ได้สติคือความรู้สึกตัวตัวพร้อมเะมันจะต้อง สังเกตเห็นตลอดเวลาเดีวยความรู้สึกตัวสังเกตด้วยความรู้สึกตัวทําไมสังเกตเด้วยความรู้สึกตัวมันก็จะเข้าไปหมกมุ่นเข้าไปหมกมุ่นวุดกุดกุดกุดกดกดกดกดไหลเพลินไปเลยค่ะบางครั้งพอจะหมกมุ่นการคุณหมกมุ่คิดหมกมุ่นหมกมุ่นภายในเรียกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้รู้ละปล่อยวางแต่จริงอ่ะตัวเองอ่ะเข้าไปหมกมุ่นนัเลยหมกมุ่นคุณคิดเรียกว่าตัวเองเป็นผู้รู้ลาปล่อวางแต่ไม่ใช่หมกมุ่นตัวเอง สังเกตเห็น <Pal> ต <is ata> ัวเนี้ยตัวเก่งตัวเรารู meal, it. It it so ้ต so ัวเราเห็นตัวเราได้ตัวเราเป็นตัวเราเก่งตัวเราเข้าใจตัวเนี้ยเห็นมาล้วก็วางมันนี่หมดเสิ้นเพราะไอ้ตัวนี้มันตัวที่รู้ตัวที่เห็นตัวที่เข้าใจตัวที่รู้แจ้งมันเป็นสติสัมปชัญญาในขันห้าแต่เรามายึดเอาไอ้ตัวสติสัมปชัญญาในขันห้าเป็นตัวเราที่จริงๆไอ้ตัวเป็นตนเป็นเพียงเครื่องมือที่มาใช้รู้ละปวาง พอเราเห็นตรงนี้ยเราไม่ไปยึดในตัวสติธรรมะทิพัญญาผู้รู้ผู้เห็นก็เข้าใจเป็นตัวเราใจมันก็สงบนะ <Okay. S 1> มันก็ยิ่งรู้เห็นยิ่งเข้าใจนะั่นแหละแต่มันแค่ไปยึดมันแล้วไม่ไปผักใส่วิญญาณขันที่มันพูดได้อยู่ในใจภากได้พูดได้นในใจตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไปยึดมันด้วยแล้วไม่ไปยึดในผู้ที่รู้เห็นเข้าใจรู้แจ้งว่าเป็นเราเป็นตัวเราตัวเอมันแยกไม่ออกมันมัน แยกไม่ออกไอ้ตัวสติสมาี่ปัญญาที่มันต้องรู้ต้งเห็นต้องเข้าใจรู้นละปล่อยวางยิ่งยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจมากขึ้นยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจมากขึ้นมันก็ยิ่งเก่งยิ่งเก่งมากขึ้นคือมันมันรู้มากขึ้นเก่งมากขึ้นคือรู้มากขึ้นละมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นมีปรากฏการณ์อะไรมากขึ้นตอนนี้มันก็เลยไปไปยึดเอาไอ้ตัวรู้เห็นที่มันเก่งมากขึ้นมีปรากฏการณ์มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเป็นตัวเราซะ ไรจริงเป็นสติธรมะที่ปัญญาในขันห้าอาศัยเป็นเหลือข้ามฟากเป็นสังขารขันแต่เราไปยึดมันเป็นตัวเร า, าเป็นตัวตนของเราจริงส่วนอีกอันหนึ่งในตัววิญญาณาขันเนี่ยที่มันไปรู้อะไรต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ธรรมอารมณ์รู้อาการของใจมันก็ภาคพูดบ่นอยู่นั่นแหละไม่มีที่จบสิน <S <S ้นแล้วไอ้วิญญาณตัวใหม่มารู้มันก็ภาคต่อไอ้วิญญาณตัวใหม่มารู้ก็ภาคต่อไม่มีที่จบสิ้นกว่าเราจะตายตายแล้วขันห้าถึงดับ ตอนเราไม่เข้าใจตัวเนี้ยมันก็จะไปเกิดในร่างใหม่แล้วก็่อยภาคใหม่ในร่างใหม่แต่นเราเข้าใจแล้วเราก็หลุดพ้นจากมันไม่เข้าไยึดมันไม่ต้องไปก็ต้องไม่ต้องไปภาคกับมันอีกปล่อยมันไปมันก็ดับไปหรือแต่ใจยึดไม่ภาคคือสิ้นผู้สเสวยไอ้ผู้รู้ว่าสินสส้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดปั้นถือมั น, มนอันนี้นไม่เกิดไม่ดับเป็เอาาานอมตะพอยึดแล้วพอพอรู้ตัวพอปล่อยแนละ ก็กลับมาอีกนะะมันแบบวนเวียนวนเวียนก็ธรรมดามันก็ยึดได้มันก็วนเวียนได้ได้ได้เพามันเป็นตัวสังขารทั้งหมดเห็นว่าเป็นตัวสังขารทั้งหมดมันยึดแล้วมันก็ปล่อยแล้วก็กลับมายึดยึดแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วก็ยึดมันก็เป็นสังขารไอ้ตัวผู้ปล่อยก็เป็นสังขารเดี๋ยวมันกลับมายึดแล้วรู้ก็ว่าทุกนะคะทุกมันอยู่ตรงนั้นเลยพอยึดปุ๊บมีทุกทันที แต่มันก็ยังวนเวียนวนเวียนไม่จบก็เลยว่าเอ๊ะมันเป็นวิบากหรือเปล่าคะนี่นี่ น, น, นตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เราพูดนี่ไงค่ะไอตรงที่เราพูดนี่ไนงะก็เห็นว่ามันไอตัวผู้ปล่อยก็เป็นสังขารไอตัวผู้ยึดก็เป็นสังขารแต่เราอยากจะให้มันปล่อยขาดไอมันไม่กลับไปยึดเราก็เลยว่ามันวนเวียนเมื่ อ, อไหร่มันจะจบสักที<ะ>ถ้าเราหาตรงเนี้ยเราจะลงด้วยไปนะ มันจะยึดจะปล่อยก็จ้างมันนะได้แต่สักตะวันรู้ไม <c ant> an> ่ไปยึดสภาว่าปล่อยและไม่ไปหงุดหงิดสภาว่าที่ยึดได้แต่รู้ไม่หลงไปแล้วแม้แต่มันปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็ไม่ไปยึดสภาว่าจะต้องให้มันปล่อยตลอดไม่กลับไปยึดแล้วเรก็หงุดหงิดวันนี้เรียกว่ายึดตอนทุกวันเราปล่อยแต่แต่ยนี้ยยึดยึดอะไรเรายึดอยากให้ปล่อยขาดเนาะเราไปยึดอยากให้มันปล่อยขาด แต่เป็นหงุดงิดกิดเวามันไปยึดถ้าเรามายึดใจมันปล่อยขาดมันมันไปยึดเราก็รู้แข่รู้ทนทานแต่พอมันปล่อยมาแล้วเราก็เห็นว่ามันก็ธรรมดาค่ะม่พอเราไปยึดมันปล่อยมาเราอยากให้มันปล่อยตลอดไม่อยากให้มันกลับไปยึดแต่นี้ก็หงุดหงิดแล้วเนี้ยอันเนี้ยเราเรียกว่าไม่ยึดแสดงือาพอปล่อยแล้วเราก็ไปยึดไอ้ที่มันปล่อยนั่นแหละใช่เรามปยึดตรงสองหน้าแล้วก็ได้แต่รู้มันจะเป็นอะไรก็ไม่เห็นจะเป็นอะไระ มันยึดก็ได้แกไม่หลงไปกับมันมันปล่อยแล้วก็รู้ว่าพอเรารู้ตัวรู้ตัวอยู่มันก็ปล่อยปล่อยแล้วเราก็มายึดตภาวว่าปล่อยก็รู้เอ๋อก็ก็เป็นจิตเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวก็ยึดเดี๋ยวก็ปล่อยแต่เราไปยึดจิตเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราไปอยากไปยึดอยากจะไปยึดจิตที่มันปล่อยอันนี้ก็เท่ากับยึดเลยก็ได้แต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้สอบตะวัรู้มันยึดแล้วก็รู้ทรมาร์มันก็มันก็ปล่อยมันก็ปล่อยมันเอง มันปล่อยแล้วเราก็แค่รู้แค่รู้มันเป็นจิตเท่าไปยึดจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เท่าไปยึดอีกเป็นอวิชชาลงตามาบัวนั้นว่ายึดจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเป็นอวิชชาตัวใหญ่เราแค่รู้มันแค่มันยึดแล้วแค่รู้เราทานมันปล่อยแล้วมันมันปล่อยก็เปรียบเหมือนปล่อยแล้วก็ไปจิตสะอาดบริสุทธิ์เราก็แค่รู้ลองไปยึดจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยทุกทันทีเนี่ยก็ต้องปล่อยวางสังขารทั้งหมด ต ang, ั้งตัวเราผู้ปล่อยวางก็เป็นสังขารที่เอาตัวเราไปปล่อยวางอย่างอื่นหมดแต่สุดท้ายตัวเราไม่ได้ปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้ปล่อยวางก็เห็นว่ามันเป็นสังขารต้องการปรงแต่งพอปล่อยวางทั้งสังขารทั้งหมดแล้วก็ไปวางตัวเราผู้ปล่อยวางมันก็เลยเลยมันก็เลยไม่มีอะไรเหลือแล้วต่เนี้พอปล่อยวางแม้แต่ผู้ปล่อยวางปล่อยผู้ปล่อยวางนั่นแหละก็เป็นสังขารวางแต่คนอื่นเขาแต่ไม่วางตัวเอง มันก็เอาตัวเองเป็นสังขารไว้อย่างอื่นวางหมดตัวเองเป็นสังขารไวไ้ก็ไม่ทนทุกข์นันทำไม่ปล่อยวางตัวเองก็จะเอาตัวเองมาดิ้นรนไปค้นหาพยายามจะรักษาตัวเองไว้ให้สะอาดบริสุดมันก็ยังเป็นอวิชชาเลยไป